กลับมาต่อจเมื่อวานนะครับไว้ถึงหน้า25อาการที่ต้องอาบะ6อย่างแต่ว่าก่อนจะมาเข้าเรื่องนี้น ะ, ะขอเสริมเมื่อาวานหน่อยครับเกี่ยวกับการอะไรนะมอบชันท้าใหรือสิทธิถ้าที่ไมนได้เข้าลู่ลงโศนนะเรียกว่าป่วยใช่ไหมครับอา้าเขารุมไม่ได้ไดูแลผู้ป่วยแล้วก็ทําการงานบางอย่าง ทีนี้มอบสนทนาปรึกษาทีนะครับถ้ามอบแล้วนะผู้ที่ร่ำเนี่ยก็ต้องมีการรับด้วยร่ำด้วยกายด้วยวาจารหรือว่าด้วยการและวาจาทั้งสองอย่างนะครับท้าไม่ได้ร่ำนะก็ถือว่าม้อไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคนร่ำก็สําคัญเหมือนกันครับคนร่ำอะนะ้นเมื่อวานมอบสนคัญเนี่ยฉันทำเทมมี่นะครับฉันทําเมหานฉันทําเมอาโรเจหิต ปาลิสุตพิงทอมมี่พวกเหมือนกันนะหรือว่าจะรวมทั้งสองอย่างมาเลยก็ได้นะครับฉันธาปาลิสุทพิงทอมมีนะครับชันธาปาลิสุตพิงเมฮ า, า, าร่าชันธาปาลิสุตพิงเมอาโเจบอปภาษาไทยก็ได้นะครับ <S <S คนรับก็รับรับเอ่อรับภาษาไทยก็ได้ปิอามาคอนเตหรือว่าลวยกายก็ได้นะครับก็ผนวกศีรษะรับนี้นะครับจะเป็นอันรับนะ จะมอบสัคผัสําสเร็จนะครับอันนี้ก็เสริมให้หน่อยนะครับเมืวานอันนี้เสร็จแล้ว น, นี่ก็กลับมาดูเลยกลับมาดูหน้า25อาการที่ต้องอาบัตดหกยาเมื่อวานนี้นะครับคุณท่านนิรนุนบอกว่าหนึ่งต้องด้วยความไม่ละอายสองต้องด้วยความไม่รู้สามต้องด้วยความสงสัยและขืนทำ สี่ต้องด้วยความสําคัญว่าควรในสิ่งที่มันควรห้าต้องด้วยความสําคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ควรหกต้องด้วยความทั้งเถื่อนท่านอาจารย์ที่วานเป็นตัวอย่างเมื่อวานว่าไปบ้างนะตอนความเมละอายเป็นยังไงจบแล้วนะตนความเมลาอายเมื่อวานจบแล้วนะครับก็คือเมลาอายนะครับเราต้องรู้ว่าผิดหน้าไม่ควรทำผิดวินัยก็ยังขึ้นงละเมอแล้วเพราะว่าความมละอายผ่านะปแล้ว ต่อไปก็นะครับสาบรรทัดสุดท้ายนะครับต้องด้วยความไม่รู้ถามว่าอย่างไรชื่อว่าต้องด้วยความไม่รู้ตอบว่าก็ภิสุจผู้ไม่รู้โง่เขลาและเลื่อนไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรทาหรือไม่ควรทํายังขืนทำสิ่งที่ไม่ควรทาสิ่งที่ควรทำกลับไม่ทาอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยความไม่รู้ไอ้ไนะหมเปนิสูจผู้ไม่รู้โง่เขานะครับ มันได้หลายอย่างที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้พ่อไม่ศึกษา เ, เขาได้ใช่ไครับไม่ยอมศึกษาเราเรียนนะบวกมาแล้วไม่รู้กี่พรรษ า, านี่นะครับหรือว่าเพิ่งบวกแล้วแต่นะแต่ไม่ยอมศึกษาเขามีไนก็ยั็ผู้ที่ไม่รู้นะครับว่าอะไรครวรไม่ครวรอะไรถูกผิดนะนี่นะครับหรือว่าตรงเนี้ยคาว่าผู้ไม่รู้โมฆะเนี่ย <c oughs> ท่านอธิบายว่ามันฆาปัญโย <c oughs> ผู้มีปัญญาเทืกอกนี่นะ เป็นชื่อของคนที่ไม่มีปัญญาไม่บอกนี้นะครับเป็นผู้ที่รุ่มองอย่างยิ่งนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ศึกษาเลหรือว่าศึกษาแต่ไม่ได้ไม่ได้เรียนธรรมหรือของโลกไม่เรียนมินัยในของรลกนะครับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ใส่ใจนะพอเข้ามาเรียนก็สั่งเขาว่าให้เข้าหูซ้ายให้มงหูขวาแล้วก็เรียนไปก็ไม่ได้ไปครบทวนนะครับเนี่ก็ทิ้งไปเลยนะจะเหลือหรือไม่เหลือนี่ก็ไม่ใส่ใจนะครับแต่นห้คนไม่รู้นี่นะนะครับ ก็เลไม่รู้อะไรควรไม่ควรสิ่งที่ควรไม่ควรทำใช่ไหมก็กลับไปทํานะครับอะพูดถึงสิ่งที่ควรทํานะสิ่งที่ควรทําเกี่ยวข้อว่าปฏิบัติต่างๆทีควาคผิวควจะทําก็ไม่ยอมทํานะครับเพราะโดยไม่รู้นะอย่างเช่นเวลาเข้าห้องน้ําทำไงมีข้อว่าอะไรบ้างเนะี่ยอันนี้เนะ่ยติดไว้ที่หน้าประตูห้องน้ําอะไรนะครับว่าเราเนี่ยถ้าใครไม่รู้นะขอให้อ่านาข้างหม่ยก็แล้วกัน <c oughs> ก่อนจะเข้าอนะำให้ไม่รู้จริงๆนะอ่ะอย่างเช่นเลาจะห้องน้ําทํางานก่อนผู้อยู่ข้างนอกก็กระแอมขึ้นใช่ไหมครับผู้อยู่ข้างในก็กะแอมรัอย่างนี้เป็นตนน้นนะแล้วก็เวลาห้องน้ำนะครับข้างในข้างนอกซู่ห้องน้ํานะสบโป่งโป๊ะเปื่อนเนี่ยต้องดูแลในรงความสะอาดรักษาครับตรงนี้นะไม่ใช่หน้าที่ของพักเจ้าหน้าที่ทำประจำนั้นนะ มันเป็นข้อว่าของพิสูจน์สำเน็ตทุงรูปที่จะต้องทำนะครับถ้าไม่ทำัะ ม, มีทอดเป็นอาบัตินะหมายความว่าถ้าเราเห็นรอกต่อไหนใช่ไหมเรามีเวลาสะดวกทำตอนนั้นทำไปเลยครับทีนี้เจ้าหน้าที่มีประโยชน์อะไรเจ้าหน้าที่เปรียบก็คือเพื่อเป็นผุ้รับผิดชอบหน้าที่ประจํานั่นเองแต่มช่ว่าคนอื่นทำไม่ได้คุณก็ควรที่จะทำนั่นแหละเพราะเป็นข้อว่าสเน้นเรื่องที่จะต้องทำนะครับถ้าใครเข้าใจว่าห้องน้ำํำถูกปอกอันนี้คุณห้องน้ํานะที่อือ่ก็เหมือนกันนะครับ แล้วเราไม่ใช่ห้องนะ้ำทำเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทําไม่ได้นี่เป็นความคิดที่ผิดนะครับตอนเจ้าหน้าที่ทานั้นทำแบบนี้นั่นเป็นความคิดที่ผิดไม่ถูกเป็นข้อว่าของเราที่ลู ก, ลกจะต้องใส่ใจนะครับใส่ใจความสำคัญนะ้ะถ้าใครเมินเฉยเห็นว่าสมประะูรณ์แบบอะไรบัางไม่ใส่ใจนะปล่อยไหมด้านที่คนเดียวมีชอบไปอย่างนี้ไม่ได้ครับมีช่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนะ้ำอย่างเงี้ยนะเราไม่แต่ อะไรนะกุฏิที่อยู่หรือเสนาสนะสาราห้องสมุดที่ไหนก็แล้วแต่นะพอไม่ใช่มีแค่ว่าจุฬาฯวัดนะครับเส น, สนาชนะวัดก็มีนะถ้าเราเห็นว่าโลกสกปรกไหนเนี่ยเราสามารถทีกก่จะลงมทําได้เลยนะครับถ้าเราละเลยไม่ใส่ใจนี่นะก็จะมีท่อนะครับที่ไหนไนดะ้อันนี้เนะ่ะเขาไม่รู้ไม่ศึกษาหรือว่าง้อแล้วเรือนนี่นะ <c oughs> ไม่รู้อะไรควรทําไม่ควรทํานะถึงที่ควรทําไม่ทําเนี่ยละเลยก็เลยนะ แล้สิ่งที่ไม่ควรทวําเมื่อเป็นอางมันอย่างนี้นะก็คืนไปทําำข้ามครับไปทำอะไรไปเลาะเงนเลาะทองอย่านี่นะเลาะเงลทองหรือว่า อ, อาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะหนักไปนะหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่มันผิดวินัยนะครับไปดูหนังบ้างฟังเพลงบ้างนะหรือว่าไปถอนอยากขุดดินถ้าแต่ว่ามันดีใช่ไหมมันไม่ได้ศึกษาอยีน่นะครับที่มีโทษหลายอย่างนะครับ นี่เราเราก็จอยู่ด้วยราการศึกษานะศึกษาแล้วก็ใส่ใจทบทวนนะคือเรียนให้มันสำเร็จประโยชน์แบบว่าเราสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับพอไปเจอสถานาการณ์ในเหตุการณ์นั้นนะ่ะความรู้ก็ขึ้นมาแล้วก็ไปใช้ได้ น, นะครับไม่ใช่ศัพว่าเรียนแล้วก็เข้าหัวซ้ายหรือหัวขวาหรือว่าผัานผ่านไม่ทบทวนไม่อะไรอย่างนี้นะไม่ได้นะครับตอนนี้ใสำหนึกประโยชน์นะเราต้องใส่ใจตรงนี้ให้ดีนะครับว่าเราเรียนเพื่อสำเร็จประโยชน์ชนอเอาเรืขึ้นได้นะครับ หรือว่าอะไรจะทำไม่ควรทำตรเนี้หรือว่าต้องเน้นนะครับในการเรียนต่อไปถามว่าอย่างไรชื่อว่าต้องด้วยความสงสัยและถึงทำลงไปก็ตอบว่าพิสูจน์อาศัยสิ่งที่ควรและไม่ควรครับแล้วเมื่อเกิดความลงาังคาอันนี้หมายถึงความสงสัยในวินัยอาจจะไปะเจอว่าถูกสิ่งอะไรสักอย่างนะที่ทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาไอ้เนี่ มันควรไม่ควรที่เราทําได้หรือเปล่าครับถ้าลักษณะนี้นะเขาบอบกว่าต้องถามพระมินายทรอใช่ไหมสิ่งที่เราสงสัยไม่แน่ใจครับต้องถามพระมิ น, นัยทรอ้ากเป็นสิ่งสมควรก็เป็นสิ่งที่ควรทําถ้าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรก็ไม่ต้องทําครับต้องเป็นลักษณะนี่้นะแต่ว่าพิสูรรูปนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นยังขืนล่วงละเมิด อ, อยู่นั่นเองนะทั้งที่ยังสงสัยอยู่นะครับว่าควรหรือไม่ควรนะ ก็ขืนลงและมิดลงไปก็ได้วยสำคัญมากครอ่ะคงไม่เป็นไรแล้วนะเขาไม่เธอถ้านได้ใจสงสัยอยู่นะก็เอ อ, อเอาเองว่าทําไม่เถอะไม่เป็นอะไรหรอกนะครับอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยความสงสัยแลยนะ้วคืนทําลงไปอยากจะให้ยกตัวอย่างมาสร้างเรื่องนะครับสิ่งที่สงสัยนะ่ะก็มีการขืนทําลงไปได้อาณนชย์ช้อนก็ได้ยกตัวอย่างข้อที่สงสัยแนละ้วขืนทําลงไปเนะี่ยมาข้าอย่างหนะึ่ง อ๋อ น, นั่นกะปีนะสงสัยว่าสุกหรือไม่สุกอ่าเนะและความจริงสุกหรือเปล่าอันนี้ก็พอได้นนก็พอได้ผมยกตัวอย่างมานะอันนี้เรื่องอาจจะใกล้ตัวครับผมไม่รู้ว่าใครใครมีความสงสัยขึ้นมาดีกว่าอันนี้เฉยนะถามใหม่เฉยนครับเย็กเจ่าว่ามือถือคอมพิวเตอร์ใช่ั้ยครับเร <c oughs> <c oughs> ื่องใกล้ตัว เพราะว่าในสมัยพุทธการอ่ะคอมพิวเตอร์อก็ยังม่มีมือถือี่ยังไม่มีใช่ไหมครับอาจจะมันทั้งสงสัยมาเอเนี่คอมพิวเตอร์กับมือถือเนี่ยนสมควรไหมแล้วก็ไปดูวินัยก็ไม่เห็นที่ไหเลยนะครับแล้วก็เอาเอามาหาประเทศมาจาับมันก็ไม่รู้จะเทียบเทียงกับอัานไหนดีถ้าสมมติว่าเนี่ยไอ้ที่รองเท้าหนังกับรองเท้ายางใช่ไหมครับมันก็พอเทียบเทียงกันได้นะรองเท้ายางสมัยก็ไม่มีก็จริงนะครับแต่มันก็พอเทียบเทียงรองเท้าหนังได้ แล้วมันก็มีราคาถูกกว่าอีกด้วยนะครับว่าด้วยความมากน้อยสนโดษเนี่ยสมัยนี้นะครับมันก็รู้สึกว่าจะดีกว่านะพ่อมันไม่แพงนะครับมันก็มันก็เอามหาประเทศมันจับนะมันก็พอลงกันสูงกันหน้าแต่คอมพิวเตอร์กมือถือเนี่ยเจ้าจะไหนไปจับอะไรอ่ะแต่ถ้าใครสงสัยเลยไม่ได้นะอ้าวสงสัยแล้วเนี่ยคอมใช้ได้ไหมมือถือใช้ได้ไหมแต่สงสัยก็ไปถามมือมีอเขาเพราะยิ่งไม่ใช่แค่นั้นนะครับ คำถามที่ดีเนี่ยเอ า, าจารย์พุทธเจ้ามาในบัญญัติว่าหน้าในสิ่งนี้นะเราจะใช้หรือควรหรือถ้าเกิดสงสัยขึ้นมาแล้วถึงเข้ลงไปเนี่ยไม่ได้เลยนะครับแล้วจะมีอาบันนะไอคอนบนมือถือนะครับถ้าใครใครไม่สงสัยก็แล้วแต่นะใครไม่สงสัยก็ไม่เป็ น, นครับต่อไปอาถามว่าอย่างไรชื่อว่าต้องด้วยความสําคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรครับก็ตอบว่าพิสุขฉันเนื้อหมีด้วยสําคัญว่าเป็นเนื้อหมู ถ้าเข้าใจผิดนะก็เป็นเนื้อหมงธรรมดาเนื้อหมีนี่ฉันไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นเนื้อต้องห้ามมีสิบอย่างนะอะไรเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อหมีเนื้อสุนัขนะครับเนื้อลาสีเนื้อเสือโค่งเสือเหลืองเสือดำเนื้อนูงเนื้อมนุษย์นะครับสิบอย่างอันนี้เนื้อหมีเนี่ยก็คือฉันไม่ได้แต่ถ้าไปเข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อหมูหรือฉันอาหารในเวลาวิการนะครับนึ่งกัน ใช้หาในเวลาวิการเลยที่ย่งไปแล้วนะครับด้วยสำคัญว่าเป็นเวลาการนะครับก็คือรำลิกาจะเสียนะัะสมัยเนี่ยสมัยก่อนจะคืบข้าวคืบฝ น, นดูเม้าแดดไม่ได้นะครับแต่ว่าท่านก็จะว่ามันยังไม่มีการนะท้านี่วิการไปแล้วก็ฉันไปด้วยสคัญมาในการอยู่ถามว่ า, าต้องอาบัตไหมครับก็ต้องเหมือนเดิมนะนะครับถึงไม่รู้ชั้นหนึ่ชั้นเนื้อหมีใบเนี่ยก็ต้อง ถึงไม่รู้ว่าเลยวิการไปรายการไปแล้วเวลาวิการฉันก็ต้องอาบัตนครับอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยความสาคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรนี่นะแล้วถ้กิแบบว่าเขาสังไปยเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาตัวเขาเองอาบัตแล้วมันจะมีอะไรในตัวไหมไม่มีสิที่ไม่รู้ว่าพอเข่แล้วแลอาบัตแล้วเขรู้ว่าเป็นอะไรเริ่มมีแล้วเขาก็ปล่อให้มันไม่โปงอาบัต ก็คไม่มีอคติสนเพราะว่าท่านสาคัญจริงจริงแต่ถ้ารู้เข้าเมื่อใดก็ต้องปองมันนั้นถ้ารู้แล้วไม่ได้แล้วทีนี้แล้วถ้าําไม่รู้อะไรท่านจะได้ปงเมื่อไหร่ก็ปองตอนที่ไปปองอาบัตเละสัมภาปติยอวิโดมีนะสัมพังมูลานใช่ไหมเราถูกโมูอาบัตทั้งหมดใช่ไหมครับมันก็หลดไปด้วยแต่ตอนที่ยังไม่รู้ความจริงไม่ได้กั้นอะไรนะมันไม่ได้แป็นอคติสมีกําลังอะไรครับตรงนี้นะเพราะถ้าถ้าไม่มีใจที่จะล่วงละมากครับ นั่นไม่้จริงๆสาคัญผิดจริงครับต่อไปนะครับถามว่าอย่างไรชื่อว่าต้องด้วยความสําคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ควรต่อว่าที่สูตรฉันเนื้อหมูด้วยสําคัญว่าเป็นเนื้อหมี่เข้าใจผิดหน้าที่เนื้อหมูแหละนี่ว่าเป็นเนื้อหมี่หมแต่ก็ฉันนะท่านที่เาใจผิดก็ฉันนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้จะมีลักษณะที่เป็นอักุผลขึ้นมาได้นะครับเข้าใจผิดว่ามันจะผิดนะ แต่ก็ยังติดธรรมไปนะครับหรือวิสูจน์ชนะหาในเวในเวลาการนี่แหลด้วยสําคัญเป็นเวลานีกา่กันโอ้ยอะไรเที่มไปแล้วเอ้ยไม่ได้ฉันนะฮึ <c oughs> อ่างน้นะครับอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยความสําคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ควรนะครับเนี่ยแล้วก็ยังต้องอาบัตนะครับที่นะัต้องอาบัตินะครับถ้าเราเรียนวิหน้าเราจะเจอนะบางอย่างนะครับถ้ารู้ทั้งรู้ใช่ไหมเป็นอาบัต ไอที่นะครับถ้าสงสัยและขืนทำก็เป็นอาบัตทุกกฎนะครับหรือสาคัญผิดก็เป็นอาบัตทุกกฎจะมีหลายข้อนะครับนั้นยกตัวอย่างมาสองข้อนี่นะทั้งที่วัตถุนั้นมันถูกต้องเวลานะั่นคือใช้ได้ น, นะครับแต่ตัวเอเข้าใจว่ามันผิดและก็ยังทําลงไปนะอย่างนี้ก็ยังต้องอ า, บ, าบัตินะถามว่ า, าอย่างไรชี้ว่าต้องด้วยความพลั้งเถอะตอบว่าพิสูจต้องอาบัตเพราะนอนร่วมกับอนุปัสมบัต นอนร่วมกับรูปมาสัมบัญสัมมณีหว่าโยมเนี่ยเอาผู้ชายนะครับผู้ชายก่อนนะจนอารมณ์ขึ้นนะครับนอนจะอารมณ์ขึ้นนะทีนอนร่วกับรูปมาสัมบัญได้อย่างมากสามลาตีใช่ไหมครับนะพอลาตีที่สี่อารมณ์ของลาตีที่สี่ขึ้นตัวยังนอนนะจนอารมณ์ของลาตีที่สี่ขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องหมดไปอีกตีนะแต่รูปนี้อ่ะท่านเข้าใจผิดท่านค g h ว่ามันยังไม่เกินสามวัน เอ้เพิ่งจะสามวันเองวันนี้เองหนึ่ใช่ไหมถ้านี่วันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะครับความงขึ้นท่านต้องอาบัดอยู่ดีมันจะท่านเผลอนะครับเผลอสติไปไปน้ำมันผิดไหมนะครับนี่แหละหรือเพราะอยู่ปัสกาไตชีวรเป็นต้นด้วยความพลั้งเผลอสตินะครับเอาช right? ีวรไปตามให้นู่นนะครับสามที่ลานัะเข้าใจว่าอยู่กับตัวนี่นะครับความงขึ้นใช่ไหมตัวอยู่ปัสกาไตรีวรก็ต้องอาบนะครับลักษณะ จึงเาต้องดูดเถิสตินะครับมีกันได้นะมืที่เถิไปลืมไปอาบันนะเถะสติทาลงไปนะครับแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นกุศลที่มีกาลังเลยนะ<พ>อถามความเถ <พอ S 2> ิในะะนะเก่ยกับที่สูงที่ถือใจจีวอนเ อ, อันนี้เจต้องเรียนถ้าท่านเองไมเป็นหรอกยังไม่เรียนนะอยู่ข้างหน้า เี็คือหนึ่งขอครับการที่เรา ร, ร, รับเงินมาจากที่โยกทัศน์เราไม่รู้เนี่ยสิง่งต่างๆมือโดนเบาเนี่ยอันนั้มนมาทีบานทีไม่ได้เผลอตั้งใจจะรับวัตถุนั้นเลยเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าวัตถุนั้นเป็นเงินครับแต่ความที่ตั้งใจจะรับวัตถุนเนี่ยนะแล้วัตถุแมันเกิดเป็นเงินขึ้นมาทั้งที่เราไม่รู้นะครับ อย่างนี nah, people, huh. th right. uh ้ก huh. huh. huh. uh ็ไปนามบัตรนะครับจะว่าเผยก็ไม่ใช่ตั้งใจละครับใจล้วครับบอ่ามันวาคร้งนี้ก็จะมาแก่ๆกันนี้ครับก่นีต้ขนมแต่ว่าใจเราน่ะมันก็ว่ามันตั้งใจจะรับไปของทั้งในถุงนี้ทั้งหมดใช่นหมครับต้รับทั้งหมดนะมีตั้งใจรับมันถกเหล่านี้นะครับคนนี้วัตสุเ่นี้มันมีเงินอยู่ด้วย ผมมีจตนาแต่ละห้ก็เลยเป็นครับใช่ครับนี่เป็นตามเงี้ยสีฟ้าเลยครับไปไอ้อ๋อไปเนนะเงินทอง ต่อไปนะครับอันนี้อันนี้ได้ไ น, นะต้นในความพลังเผยสติไปนะครับ mm hmm. ถ้าเขายตัวอย่างมาเป็นต้นน่าี่้ดูออันนี้ก็ได้หกอาการนะครับ mm hmm. เพราะเห็นนะในคําว่ายสัสียาอาปอาติอาบัต์มีแก่ทิสุใดนะครับจึงมีความว่าทิสุใดเป็นพระเถร่าก็ตามเป็นนวักกะก็ตามเป็นมชิมะก็ตามต้องอบับร์เจ็ดกองกองใดกองหนึ่ง ด้วยการหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึง่งครับถ้าต้องประลาชิกก็สึกไปเลย <c oughs> มาลงโบสดไม่ได้แลนะตอนนี้กำลังพูดถึงกําลังลงโบสดนะครับเนถ้าต้องประลาชิกก็สึกไปเลยครับไม่ต้องมาลงบสดแล้วนะ <c oughs> คาว่าโสอาวิกระรายะอา้าวที่สูตนั้นพึงจะทําให้แจ้งนะความว่าที่สูตที่ต้องอาบาัตอจงแสดงหรือเปิดเผยอาบานะัตนั้น ถ้าเป็นอบาบัตที่แสดงได้เทสะนะครับมีดีไม่ต้องแต่ถุนร้นใจลงไปนะแล้วก็แสดงเชี้ย<า><า>นครับอารมณ์ลงมงศลนะถ้าเป็นสถานิเศษอย่างนี่นะ่ะเันจะแสดงไม่หนุ่มแล้วมันก็เปิดเผยขึ้นนะครับปกปิดไว้คําว่าอสันเตียอาปติยาแปลว่าเมื่ออารบัตไม่มีนะครับความว่าก็พิสูจใดมีอาบัตที่ไม่ได้ต้องอย่างนี้ก็ดีคือไม่ได้ต้องอบาบัตนะว่าไม่ได้ต้องอบาบัตอย่างนี้ครับก็ดี ที่ต้องแล้วอยู่กรรมก็ดีท่านต้องนาดิเศษใช่ไหมท่านก็ปพื้นว่าอยู่กรรมอยู่นะครับแสดงหรือเปิดเผยแล้วก็ดีสแสดงว่าเปิดเผยแล้วไม่ไกผิดไว้พิสูนนั้นชื่อว่าไม่มีอาบัติเมื่อไม่มีอาบัติอย่างนี้พึงนิ่งเสียข้อว่าตุนีพาเวนะโคปนาอิสมันเตปฤสุชาติเวทิสามิครับความว่า ก็ด้วยเหตุคือภาวะที่เป็นผู้นิ่งนะครับข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าผู้ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆนะครับถ้าเขาไม่มีอาบัตตวก็ขอยนิ่งไว้นะครับอันนี้นะผู้ส่วนก็จะรู้ว่านะครับท่านมั่งหลายท่านแปลตาสำนะข้าพเจ้าจะรู้ว่าซึ่งท่านมั่งหลายท่านผูมีอายุมัหลายว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะด้วยความเป็นผู้นิ่งๆๆนีะใครผู้นิ่งก็ถือว่าไม่มีอาบัตตนะผู้บริสุทธิ์ พราะว่ายะถาโขป ะ, ะปัจเจก้าปุถสะเวียกัรนังโหติความว่าเหมือนพิสูรรูปหนึ่งถูกถามแล้วเพิ่งเปิดเผยขยายความว่าเหมือนพิสูรรูปหนึ่งถูกพิสูรอีกรูปหนึ่งถามเจาะจงแล้วรู้ว่าพิสูรนั่นถามเราเพิงเปิดเอยอาบัติหมายาว่าคำํำสวดถามนี้ตั้งแต่เพราะว่ายะสักยาอาปจินะครับ อ่าบาัตมีแก่ผู้ใดผู้นั้นควรเปิดเผยเสียให้มีก็ให้เป็นผู้หนึ่งนี้เป็นต้นนะคําคถามตัวนี้นะครับขอให้รู้ว่าเหมือนกับที่สูที่เขาสวนอะ่ะเขาถามเจาะจงเราแต่ละรูปแต่ละรูปแต่ละรูปเลยนะขอใหเข้าใจอนะนะครับเหมือนกับว่ามีคนอีกคนหนึ่งกำลังถามเจาะจงเราอยู่ขณะนี้นะครับมันกับถามตัวตัวกันอย่างนี้เลยเนี่ยนะให้เข้าใจม่าอย่างนั้นครับพะนั้นะะถ้ามีอาบาัตก็ให้เปิดเผยเสีย ต่อไปนะครับอันนี้ตรงนี้นะครั่วน่อยในข้อนี้ว่าเอวะเมวังเอวะลูปายะปริสายะยาวัตะติยังอนุสาวิตังโหตินะครับแปลว่าอะไรอนุสาวิตังคโยคาสูบประกาศนะครับคําถามคโยคำถามประมาคําถามย่อมถูกสุบประกาศนะครับยาวัตะติยังนะเพียงใน้สามครั้งนะครับซึ่งสิ้นเพียงได้แต่สมครั้งนะ ในบริษัทเช่นนี้นะครับฉันนั้นเหมือนกันครับคําถามนะครับย่อมถูกสูบประกาศเพียงใดแต่ครั้งที่สามในบริษัทเช่นนี้นะครับฉันนั้นเหมือนกันคํานี้นะที่ถามว่าคําถามเนี่ยถูกสูบประกาศในบริษัทมีสามครั้งเนี่ยเอา ค, ำคำําคําสวดถามตรงไหนครับให้ถานเข้ามาอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวไว้อย่างนี้ก่อนว่า ในพิสูจนบริสัทธินี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันคําใดที่สวดสามครั้งว่ายะสักสยาอาปฏิโสอาวิกระยะนะครับอาบัตมีแก่ผู้ปฏิสูจน์ใดนะครับพิสุนนั้นที่เพิ่ดเผยอสันติยาอาตฏิยาจมีเทวิตรังถ้าเมื่ออาบัตไม่มีก็คพิเป็นผุ้นิ่งนะครับจนมีพาเวนะโขปไนาสมันเตยุทธาจิเวชิสามิข่าพระเจ้าจะรู้ท่านทั้งหลายว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับด้วย ความเป็นผู้นี้เนี yeah. ่ยคำนั้นบอกให้รู้ว่าพิสุทุกๆรูปต้องรู้อย่างนี้ว่าพิสุนั่นถามเราครับอันนี้ของอาจารย์พวกหนึ่งนะบอกว่าคําถามสามครั้งนะ่ะคําถามที่ก็สว ถ, ถามสามครั้งหมายถึงคําตรงนี้นะครับตั้งไต่ยักษ์สัญญาถึงไปสุทาจิตยทิศสามีนะท่านก็บอกว่าคําของอาจารย์พวกนั้นไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องนะครับถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะมีอักและเพียรชนะต่างกันแท้จริงแล้วการสุบ ป, ประกาศย่อมไม่ต่างกันทั้งโดยอักและโดยเพียรชนะเหมือนกับคําเป็นต้นว่าทุติยมปีเอตตัมบัตถังวั า, ามินะครับก็คํำก็สามคำเป็นต้นว่ายัสะสิยาต่างกันทั้งโดยอักทั้งโดยเพียรชนะด้วยเหตุนั้นการสุบ ป, ประกาศคํานั้นถึงสามครั้งใช้ไม่ได้นะครับ อาจารย์พวกนี้นะบอกว่าเป็นคําผู้เหล่านี้นะครับยัสสานติย า, า, ยาปฏิสอ ว, วิกะลอยะอันนี้เป็นประโยคหนึ่งนะประโยคหนึ่งครับมันเป็นตอนหนึ่งก็แล้วกันอสันติยาปฏิยาตุนีพูริตพังก็ตอนหนึ่งตุนีพาเนาวนนั่าโขปะไนสมมันเตชิาทาติมติสสามีก็อีกตอนหนึ่งเนี่ยอาจารย์ผู้นี้บอกว่าคําสวดถท้าสามครั้งเนี่ยได้แก่คํานี้แหละนะครับถ่าบอกว่าไม่ถูกต้อ ง, น, งนะไม่ถูกต้องนะครับ เพราะว่ามันมีอักและก็เพ ย, ย์นชนะต่างกันนะคือเรื่องสามต่อเลยนะ่ะเราจะรู้ว่าทั้งเพ ย, ย์นชนะและก็ความหมายต่างกันคนละอย่างคนละอย่างคน ล, ะ, คน ล, ะ, คนละประยคไปเลยใช่ไหมครับอย่างนี้เพรความจริงแล้วนะถ้าเป็นคําสูตรประกาศนะสูตรประกาศสูตรซ้ำสามครั้งนี่ น, นะครับจะต้องไม่ต่างกันถ้ด้วยอักฐาและเพ ย, ย์นชนะนะเหมือนกันเวลาเข้าสูดให้ปริวาสใช่ไหมหรือว่าสู่ประสมบทก็แล้วแต่ มันจะมีทุติยังปีเาตสมะทังวทานีใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสวดของเก่าแหะสามีทิม น, นะครับตอนแรกตั้งยติก่อนความตั้งแล้วตีสวดกรรมวาจาล่อ ม, มันจนจบแล้วก็ไปขึ้นใหม่ที่ว่าทุติยังปีเาตสมะทังวทานีแล้วก็สวดกรรมาจาที่เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมครับแล้วก็ตัดติยังปีเาตสมะทังวทานีแล้วก็สวดนะครับประโยคเดิมแล้นะอีกครั้งนะครับถ้าเป็นคำสวดถางต้องเป็นอย่างงั้นนะ แ็ไม่ต่างกันนะครับเขามีอัลเลมเพียชนะแต่คําว่ายัสสิยาเป็นต้นเนี่ยที่ว่ามัน้องสามตอนเมื่อไหกี้นะแต่ก็แค่ในอันลเลมเพียชนะนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคําสุ ป, ประกาศสามครั้งอยู่ตรงนี้อนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้าจะเพิ่งมีการสุ ป, ปาการถึงสามครั้งนั้นก็จะต้องมีอาบัติในเมื่ออย่างสูนิทานุเทศไม่จบนะครับ เพราะการต้องอาบัตในฐานะที่จะไม่ต้องอาบัตหาควรไม่นะครับถ้าทาตรง น, นี้เ น, นี่ยศาสร์เสียปตีนะจนถึงวันที่สามีเลยสุปกะแามันทั้งสามครั้งเลย <c oughs> ออย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้อีกถ้าว่าเป็นอย่างนั้นนะก็จะต้องอาบัดตั้งแต่ส่วนยังไม่จบนิทานใช่ไหมครับและการต้องอาบัตตวเนี้ยเป็นการต้องบรรลุหาด้านที่ไม่สมคครับในส่วนนิทานไม่จบนะ เป็นการฐานะที่ไม่สมควที่จะต้องอาบันนะครับอันนี้ถ้าแสดงว่าคําองอาจารย์พวกนี้ไม่เอานะที่ว่ามาทั้งหมดนะครับที่ว่าคําสูบ ป, ประกาศค้ครั้งหรือแต่คำว่ายัยสักเซียปฏิเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับต่อไปอาจารย์อีกพวกหนึ่งนะครับพวกมันยังไงเข้าใจเนื้อความแห่งบอว่าอนุสาวิตันนะครับถูกตัวประกาศแล้วนะครับคำว่านั้น มีอ่านว่ า, ามีอัานเป็นอนุสาเวตัพังเพื้อสวดประกาศนะครับเนีย่ยนะเข้าใจเป็นอนี้จึงกล่าวาว่าคําว่ายาวตติยังนี้ท่านกล่าวหมายเอาคานั่นว่ากัจจิหาปริสุทธาไปตติยมปีขุชามินะคะกัจจิหาปริสุทธานะในเวลาจบปริภราชิกุเทข้างหน้านะครับ ที่นี้อาจารย์พวกนี้เขาบอกนี้นะครับคําว่าอะไรอนุสาวริยตังนะเท่ากับอนุสาเวเมตัพันความจะอนุสาวมิยตังเป็นอนดีตนะครับถูกสูบ ป, ประกาศแล้วนะคําถามถูกสูบ ป, ประกาศแล้วแต่ถ้านเข้าใจ ว, าว่ามันไม่ใช่แล้วมันต้องเพิ่งถูกสูบ ป, ประกาศเ <c oughs> พราะนะั้นนะคำว่าเพิงถูกสูบ ป, ประกาศสามครั้งวันนี้เนะี่ยต้องหมายถึงคําสวดถามเนะี่ยตอนที่จบประราสิกแล้ว เวลาจบปราชิกก็จะมีคําสวดถามใช่ไหมครับอะไอ้นะตัดไทสมเตปุชฌามีการจิตาบริสุทธาท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในอาบัติปราชิกเหล่านั้นหรือใช่ไหมครับข้าพเจ้าข อ, ขอถามแมครั้งที่สองทุติยปิใช่ไหมนะครับทุติยปิปุชฌามีกาจิตาบริสุทธาสามครั้งนะตุติยปิปุชฌามีกาจิตาบริสุทธานะไหมครั้งที่สามท่าั้งหลายผู้บริสุทธะนะิ์ในอารัติล่านั้นหรือ ตั้งหลายผู้บริสุทธิ์ในอารัปเหล่านั้นพราะฉะนั้นเป็นผู้นิ่งเขาไปจ้าสงความนี้ไว้ด้วยการอย่างนี้นะครับเนี่ยอาจารย์คนนี้บอกว่านั่นนะหมายถึงตรงนู้นถึงคําของอาจารย์อีกพวกหนึ่งนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะมีเนื้อความไม่สมควรนะครับมีเนื้อความไม่สมควรกับสับบาลีนะสับบาลีบอกว่าแล้วแต่แต่อาจารย์ท่านนี้บอกว่าเนี่ย มาหมายถึงคําที่จะสวดข้างหน้านู่ส่งอันั้นมันเป็นอนาคตใช่ไหมครับถ้าบอกว่าถูกสวดประกาศแล้วนะไม่ได้บอกว่าจับถูกสวประกาศข้างหน้านะครับเพราะนั้นก็เลยว่าไม่ไม่ได้ก็คํานี้ที่สวดบางพวกส่วนว่าอนุสาวรียตังบางพวกส่วนว่าอนุสาวรีย์ตังแม้คําทั้งสองนั้นบอกให้รู้ถึงอดีตการอย่างเดียวนะครับว่าส่วดนะสวดประกาศสุถท้ายมาแล้วนะครับ ไม่ใช่อนาคตนะและถ้าคําว่าอนุสาวริตังอนุสาวรีตังนั้นจะเพิ่มมีเนื้อความอย่างนี้นะครับคือจะเพิ่มมีเนื้อความที่หมายถึงอนาคตนะคำที่จะสวดถามในประลาชิกข้างหน้ า, น, า, านู่นครับคือเป็นอนาคตอพิสจุก็จะต้องสวดว่าอนุส า, ามิตังเหตุสติต้องใส่คำว่าเหตุสติเข้าไปอีก น, นจะจาเป็นอันสวดประกาศแล้วนะครับคําที่ส่วนอย่างนั้น ย่อมไม่ควรนี่ก็ไม่ควรนักสังเหติสติเข้ามาเนี่ยก็ไม่ควครัเพราะอะไรครับครับถ้าอาจารย์จะไม่ได้ใช้คาว่าอนุสาวรีย์ตงอาจารย์คําที่ว่าคําถามถูกสุประกาศถามสามครั้งอ่เอาคําสุประกาศถามสามครั้งตรงไหนกันแน่ครับก็ยังมติของอาจารย์แต่ละท่านแต่ละท่านนะครับเี่ยท่านแรกก็บอกว่าเนี่ยในยศศรีญาติใช่ไหมครับ ในสองกรบอกนู้ในปราชีครับ <c oughs> บอกไกลเลยนะครับอันนี้ท่านกำลังเป็นปัญเสว่าไม่เอาทนั้นนะครับอันนี้บอกว่าเพราะไม่มีใจความมาเกาะ น, นะครับไม่มีใจความที่จะบอกว่าหมายถึงอนาคตรตรงนั้นนั้นนี่นะครับอันหนึ่งถ้าว่าคําว่าอนุสาวรีย์ตั้งนั้นพึงเป็นคําที่ท่านมุ่งหมายเอาในเวลาจบอุเทศนะครับน <c oughs> ในเวลาจบอุเทศอุเทศไหนเนี่ย ท่านก็ม่ได้บอกอุเทนแรกก็คืออะไรนะก็คือนิทานอุเทนแหละนะครับอุเทนแรกคือนิทานอุเทนนะนะนะครับถ้าเขาว่าอนิสาวิจังเนี่ยมาเอาเวลาจบอุเทศนะครับมุสาว่าที่ท่านกล่าวไว้หลังจากที่ส่วนนิทานจบแล้วก็จะไม่มีแก่ที่สุดผู้คิดว่าเราจะไม่เปิดเผย อ, นะอันละบักนะครับอันนี้ฟังต่อไปนะถ้าบอกว่าถ้าคําว่าสูประกาศแล้วเนี่ย หมายถึงตอนจบอุเทนที่ทานอุเทนนะครับก็มุสาว่าก็จะไม่มีนะครับถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าพ่อขืนกล่าวว่ายาวัตะติยงอนุสวิาญมาเน่นะครับ เ, เมื่อถูกสุปการอยู่เพียงใดแต่ครั้งที่สามนะครับอคําคนี้ว่ายาวัตะติยงก็จะไรประโยชน์ไปถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่า เพราะไม่มีการสวดประกาศสามครั้งในนิทานุเทศนะครับอันนี้ความเจริง น, นิทานุเทศนะถ้าในภาพบาลีท่ทนเจ้ามันอยางไว้ตอนแรกเลยนะครับพอสวดนิทานจบแล้วใช่ไหมอะไรนะจบนิทานแล้วนะครับจะไม่มีการสวดถามสามครั้งนครับไม่มีการสวดถามสามครั้งนะถ้าเราจะบอกว่าการสวดถามสามครั้งเนี่ยหมายถึงตอนที่จบนิทานแล้นะครับมันก็จะไม่มีการตัองอ้งอามบัตเลยเพราะอะไร เพราะตอนที่จบนิทานเนี่ยไม่มีการสวดฐานสามครั้งอยู่แล้วครับาวารตาในบาลีนะไม่มีนะครับแต่มีขึ้นมาได้ยังไงเด็กท่านจะบอกนะครับนี่อันนี้เป็นอย่างนี้เพราะเห็นนั้นนะครับคําของอาจารย์พวกนั้นจึงใช้ไม่ได้เพราะไม่มีความเหมาะสมอย่างนี้นะที่ว่าไปแล้วนะแต่คําว่ายาววัดตัดยังอนิสาวิตังของตินะครับคําถามสูตรประกาศนะครับ เอาว่าสิ้นสามครั้งนะสิ้สามครั้งก็จริงคำนี้นะครับเป็นเพียงการกล่าวถึงลักษณะนะครับลักษณะอะไรลักษณะของการสวดปาฏิโมกข์นี่นะครับไม่ต้องมีการสวดถามถึงสามครั้งนะถึงในมิถุนายนนะครับตอนในพระบาลีใช่ไหมจะไม่มีการสวดถามถึงสามครั้งก็จริงนะครับแต่ธรรมดาการสวดปาฏิโมกข์นยนะในแต่ละอุเทศเลยนะครับก็จะมีการสวดถานสามครั้ง อาเราอานต่อนะครับเพราะฉห น, นั้นท่านจึงแสดงเนื้อความนี้ว่าธรรมดาปาติโมกชนิพิสุย่อมสวดถึงสามครั้งตัวนี้เป็นคําสวดถามนะแต่ละภูเทียร์อยเท่นะระหว่างที่พิสุกําลังสวดปติโมกจนกว่าจะครบสามครั้งพิสุใดและลึกอา่านบทได้อยู่แต่ไม่ยอมแสดงอาบัตทที่มีของตนหลังจากสวด ป, ประกาศครบสามครั้งแล้วสัมปชันนักสาว่าตรู้ตัวอยู่ กาเทศนะครับคือการกาเทศนั้นรู้นะย่อมมีแก่ที่สุดนะที่น้าบอกว่าอย่างนี้นะทรังที่ น, นายทิชาเนี่ยไม่มีการสืบประกาศสามครั้งหรอกที่เมืองตาในพราบาลีแต่ถ้าเขาพูดคำนี้เพื่อแสดงกำหนดักการลาักษณะนะครับลักษณะของการสืบปฏติโมกว่าต้องมีการสืบถามสามครั้งนะใหท่านเลยพูไว้าอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับมาดูต่อปาติโมงนั้นที่สืบประกาศแล้ว จะได้ชื่อว่าสวดประกาศครบสามครั้งโดยประการใดเพื่อจะแสดงประการนั้นท่านจึงกล่าวว่าตัดหายสมันเตปุจฉามิเป็นต้นนะปกติการสวดประกาศครบสามครั้งนั้นปรากฏในเวลาจบประราชิกุเทศเป็นต้นท่าในเ่ยางพระบาลีนะครับจะเจอสวดถา้าตั้งแต่ประราชิปไปหาได้ปรากฏอยู่ในเวลาจบนิทานไม่ ไม่ปรากฏแม้ก็จริงถึงกระนั้นในเวลาจะส่วนนะครับหลังจากสวดว่าอาวิกตาหิตาภาสุโศตินะครับอานาะความภาสุย่อมมีแต่ที่สูนัน้นนะครับเพราะการกเปิดเผยจบแล้วต้องสวดอีกว่าอุทิธถังของออายสมัมมโตนิทานังตัดท้ายสมัมเตปุฉามิเป็นต้นเนี่ยถึงจะไม่พลกกากฏในภาพบานี้ก็จริงนะแต่ท่านก็ให้สวดดีนะครับ ให้สวดคาเวลาจบนิทานแล้วนะก็ให้สวดคาอยู่ดีอลไความจริงนิทานจะจับได้ว่าสวดดีแล้วก็ด้วยวิธีการอย่างนี้หาสดดวดด้วยวิธีการอื่นนะครับนะจะชื่อว่าสวดดีก็คือเมื่อในสวดคาสามครั้งแล้วด้วยนะครับนะหาสวดด้วยวิธีการอื่นหาฮะฮะสวดดยวิธีการอื่นนะชื่อว่าสวดใช้ไม่ได้แบบที่เมื่ได้ เถื่างงานทนผู้ชไม่ได้ก็พระอุบาลีหมายเอาเนื้อความนี้เท่านั้นจึงกล่าวว่าหนึ่งโสถขันธากะาว่าคําว่ายาวัตติยะอนุสาบิตังโหติการสุปาการถึงสามครั้งความว่าสุปาการไหมครั้งที่หนึ่งสุปการไหมครั้งที่สองสุปการไหมครั้งที่สามนะครับไปไหนนี้เอาไปเอามาใน น, น, นิทานก็มีการสุปาการสามครั้งเลยนะครับก็จะต้องอบัตตตั้งแต่สุปาการ จบสามครั้งแนะั้วแต่ น, นิทานนะครับถ้ามีอาบัตแล้วก็ไม่เปิดเผยนะการวินิจฉัยที่ว่ามาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ทั้งหลายได้นําสื่อทอดกันมาในฐานะแห่งพระวินัยนี้นะครับทีนี้เนี่ยอาจมีบางรูปสงสัยว่าอา้าแล้วกําลังฟังปฏิโมกข์อยู่เล้วเกิดแล้วลนึกอาบัติได้เนะี่ยและจะให้ปรองอาบัตยังไงตอนนั้นเนะี่ยก็มาอทำปันเตสัมภูแลนะ้วฮะตอนนั้นเลยที่ผ่า ยังไม่รับควรพิสูจน์เป็นปฏิโมกข์หรือนะครับก็ยังไม่ต้องฟองอา่านเหมือนตอนนั้นหรอกนะครับก็ให้สกิบพิสูจที่อยู่ข้างๆนะครับเพราะว่าถ้าเราออกจากที่นี้ไปแล้ง น, นะครับก็จะไปทําคื น, นะครับเนี่ยถ้าตนไหนสงสัยนะแล้วก็บอกว่าสงสัยนะครับเไปไหนนี่นะครับทีนี้นะเอามาดูต่อนะครับข้อว่าโยปะนาภิคุยาวัตะติยาอนุสาวรียามาเน สระมาโนสันติงอาปติงนาวิกเรยะสัมปชาณมิสาวัทสักโหตินะครับแปลว่าอะไรเนี่ยก็พิสูตใดนะครับเมื่อนะคําถามถูกสุปการอยู่สิ้นสามครั้งระลึกอาบัตได้อยู่นะครับระลึกได้อยู่นะรู้ว่าตัวเองต้องอาบัตนะครับไม่พึงเปิดเผยไม่พึงกระทําให้แจ้งซึ่งอาบัตนั้นสัมปชานณมิสาว่าย่อมมีแกะพิสูจนั้นะคาตรงนี้นะครับ ทำความว่าสัรมชานิมุสาว่าย่อมมีแก่พิสูจนั้นด้วยเห็นนั้นพิสูจนั้นจึงต้องอาบัตทุกเกานะครับทำไมก็เข้ากาลังสวดอยู่สวดอยู่แต่ละตอนแต่ละตอนไปเลยนะตัวเองไปแล้วเลือกได้นะครับตอนไหนก็แล้วแต่ตอนที่ปลานชิงลูกสังขารดิเศษนั่ออนอยตรงนี้ทางแล้วแต่นะครับเลือกได้แล้วก็ไม่ยอมเปิดเผยนะครับก็จะต้องอาบัตทุกกาะนะครับธรรมชาติมุสาว่าเนี่ยท่านจะขึ้นบายนะ อาธรรมดามัตฉัชานมุสาวาเทปาจิตยังเนี่ยนะเป็นอาบัตไปอีกตีพ่อการกล่าวเททั้งทั้งรู้แต่ทําไมนะครับมุสาวาที่นี้เป็นแค่บัพกดนะครับท่านจะอธิบายนะมุสาาพอไม่ยอมเปิดเผยไม่ยอมแสดงตรงนี้นะครับเป็นอาบัตพกฏและอาบัตพกฏนั้นไม่ได้มีพราลักษณะแห่งมุสาวาธรรมดาถ้าเป็นมุสาวาธรรมดาที่เป็นอาบัตไปอีกตีเป็นยังไงมุสาวาธรรมดานั้นไปอีกีคือ การทำให้คนอื่นนะครับเข้าใจความคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงนะด้วยการอุบายตานะครับพูดออกมาหรือทํากิยาการก็แล้วแต่นะให้เข้าใจคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงอย่างเช่นรู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ก็บอกว่ารู้เป็นต้นนะอย่างถ้าร่างกายก็เราไม่รู้ใช่ไหมครับเข้ามาฐานก็พยายามนะนะจ๊ะมาเจอเอาตั้งใจด้วยนะตังใจด้วยเรารู้ทั้งรู้อยู่นะท่านรู้หรือเปล่าสายหน้ามันดูไม่จี อย่างนี้นะครับนั่ก็จะเป็นความภาคเกิดความเป็นจริงด้วยการวาจามันจะมีการแสดงไปทำการทางวาจานะทั้งสามารถว่าที่เป็นไปดีนะครับแต่ในที่นี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้แสดงไปพึงทราบ ว, ว่าอาบัตมีได้เพราะการไม่ทําเป็นสมุธฐานที่เกิดขึ้นทางวจีถวะอาบัตปลายทุกกฎในที่นี้นะมันเป็นอาบัตทุกกฎเพราะว่าไม่กระทํา คืไม่เปิดเผยใช่ไหมไม่เปิดเผยไม่บอกนะครับก็คือด้วยอาการที่เป็นผู้นิ่งนะเพราะว่าข้อถท้าล้วว่าอถ้าเมื่ออาบัตไม่มีก้จะเป็นผู้นิ่งใช่ไหมครับข้ามพเจ้าจะรู้คงท่าว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยความเนผู้นิ่งใช่ไหมครับท้ายิุดมีอานบัตนะก็เป็นผู้นิ่งนะครับเพื่อจะเข้าเพื่อจะให้เขารู้ว่าตัวเองผู้บริสุทธิ์นะตรงนี้นเข้อก็เรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณนะครับอนุปกาที่ตัวเองไอกิริยาการที่มันนิ่งๆนะ มันเกิดมาจากติตใช่ไหมครับที่จะใช้เข้าข้ใจผิดว่าตัวผู้บริสุทธิ์ไม่มีบาปเขาเรียกว่าบินยันนะคือเป็นอาการพิเศษของอะไรท่าปฐวีทุ่ใช่ไหมอาการพิเศษของปฐวีาตาที่ทําให้ทรงการได้หนึ่งเนั้นได้นะครับเพื่อให้คนอื่นเข้าข้อใจฟังใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเหมาะ ม, มาจากบยานทั้นั้นนะทำการนี่ตรงตรงนี้เป็นอาคีริยานะครับต้องพราไม่กระทําครับไม่กระทําการเปิดเผยพระมจรรยา อตามภาคตำลักของพระพากษ์เจ้านี้ว่าพ่อรู้ตัวอยู่กลาเทศต้องอาบัตอะไรต้องอามบัตทุกกฎในที่นี้นะรู้ทั้งรู้นะครับต้องอาบัตทุกกฎเพราะว่าในที่นี้แหละหมายถึงในที่นี้แหละเป็นผู้ถูกตรวจถามแล้วก็ต้องอาบัตแล้วก็เป็นผู้นิ่งเป็นข้าใจขั้นเคลื่อนสมดังคําที่พระองค์ตัดไว้ในะคัมภีร์บริวาลว่าที่สไุไม่เจตไม่เจราจากับมนุษย์ไรไร ด้วยวาจาไม่พูดใครนะครับและไม่ได้กลา่าวถ้อยคํากับผู้อื่นนะครับไม่ได้พูดกับใครไม่ได้สนทนาใครนะพิสูจนนั้นต้องอาบมบัตทางวาจาไม่ได้ต้องอาบัตทางกายเนี่ยปัญหาก้อ น, นี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันได้นะครับท่านเรียก ว, ว่าเสียทามมจะนป่ปัญหาปัญหาทําไม่เหงื่อไหลนะครับ <c ười> <c ười> คิดจะแบบโผลเหงือนไหลเลยนะเอามาเรียนมาหนุนสาว่าญปายุติเนี่ย มันต้องมีการพูดการแสดงไปทางการทางวางจาใช่ไหมอันนี้บอกว่าไม่ได้พูดกับใครๆเนี่ยแต่ต้องบัตรทางวาจาก็เหมือนสิงที่ต้องบัตรทางวาจาเนี่ยครับเพราะไม่อยากทำการเปิดเผยอาบัตที่มีอยู่นะต้องพราะไม่อกักทําการเปิดเผยด้วยวาจาไปเลยครับแต่คิดว่าต้องบัตรทางวาจาสมมตว่าเข้าถาอาบัตประลาที่แต่เราเลือกอาบัตปาจิตตีได้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะจ๊ะ ที่ที่กายทำกันนะั้นแล้วเรียตอนไหนก็คือสกิตรตอนนั้นเลครับจ้าถ้าตอนนี้ก็มีเหตุผลในอย่างที่อาจารย์บ้าง น, นะครับเพรตอนนี้นกําลังตั้งใจฟังใช่ไหมครับแล้วมาดูอิปลาชินเนี่ยเขากําลังสุดถามปลาชินแต่เราก็มันก็ไม่ได้เปิดปลอย่างหรือได้ <c oughs> <c oughs> แต่ที่อาจารย์ก็อยูเป็นอย่างนี้ครับควาญิน <c oughs> ม, ม, มีมีทั้งสามตอนใช่ไหมสกิตนะเพื่อที่อยู่ข้างๆเอาที่สุดที่เป็นภูพาค่ากันนะครับถ้าเป็นภสภาฆ่าอาจจะว่าเรานอะ อาจารย um, э vale ์เส uh uh ียหายหรืออาจะมีเร uh uh uh uh uh uh ื่องก็ได้นะครับเออครับอุ๊ยอะไรเนี่ยอาจจะมีปัญหาถ้าไม่ค่อยเข้ากันนะครับทีนี้ถ้ารอบๆเนี่ยไม่มีไม่มีสภาข้ากันเลยจะทํางไงดีก็ต้องทําำในใจนะครับก็อาจากทีนี้แล้วก็อาจะไปโฟมนะแต่มาเปิดเผยแล้วก็เปิดเผยกับคนนี้เป็นสภาขะนะครับถ้าเราคนที้ถึงนสภาขะจะมีเรื่องได้นครับทันทีเขาอาจจะช่วยเขาจะช่วยนะ ข้านมาว่ามาอะไรเราได้แล้วูที่ครับอางคีสวเนี่ยเราู่ออกมาจะมีอะไรพูที่ออกมาใช่หครับเดข้อวนออกเลยใช่ไมดออกมาอะไรครับดี่อกมาออไม่ควรครับไม่ควรเลยนะเพราะว่าอย่างที่เราเรียนไปเมื่อวานใช่ไหมครับอะไรนะอะไรสูนมะมณสิการมาอะไะอ่าสาทุกังถูกไหมสนมะมณสิการมาครับ จงตั้งใจฟังครับจงกระทําไว้ในใจให้ดีนะจงตั้งใจฟังให้ดีจงกระทำไว้ในใจเพื่อบอกว่าฟังใี่มันสาเร็จประโยชนนะคร<ม>ับตั้งใจแต่ละบทแต่ละตอนประมัว ม, มาด้วยใจอย่าส่งใจไปในที่แม้แต่นิดหนึ่งเลย<ม>อันนี้เดินออกไปเลยี้าใครคุยกันแล้วทีหนึ่งครับใครคุยันเรื่องออกไปตอนที่กําลังสวดปฏิโมยแล้วมันสมควรไหมก็คุยอะรที่นั่นว่าไม่สมควรนะครับ ผู้หนึ่งความเคารุในธรรมนะอันนี้ในสิกขาบทแต่อาจะรมอยกขึ้นมาว่าแม้ผู้ใต้จ้าเองนะพรองผู้็ยังคารุนธรรมนะครับตอนที่พิสูจนลูกหนึ่งกําลังแสดงธรรมใช่ไหมครับและพองเสด็จไปพองรู้ว่าถ้าพองเสด็จไปเนี่ยธรรมเทศนาหยุดชนะงักใช่ไหมเพราะบริษัทต้องมาต้องรับผิใช่ไหมครับพระองไม่เสด็จเข้าไปเลยนะเพราความที่เป็นผู้หนักในในธรรมคารุนธรรมมากใช่ไหมครับทรงยืนอยู่ตรงไหนจนถ้าจ้าไม่ผิดเถียงทั้งสามอย่างเลยนะครับยื่ที่นั้นนะ เนี <N> ่ยอาจารย์ก็ยกมาตรงนี้ว่าเนี่ยครับกุฎเจ้าน่ะมีความคลากรบธรรมมากขนาดนี้นะครับแม้เราเนี่ยเราก็ควรที่จะมีความคลากรบย่ามเกณฑนะครับในธรรมแห่งวัคคุฎเจา้านะถ้าไม่แบบสุวิสัยไม่ไหวจริงๆนะจะเป็ น, ปนตาอะไรกันนะก็คือไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะเดินเข้าต่อถือว่าเป็นการไม่คลารบธรรมนะครับก็ควรจะใส่ใจคนฟังเด็นประโยชน์นะครับถ้าไม่ไหวจริงๆนะหรือว่าเราเป็นโรคถ้ากรรมเอคือมันจะมีปัญหาใช่ไหมครับถึงไม่ไหวจริงค่อย ถ้าออกไปครับถ้าได้ครับใครๆเจอสมัยก่อนอยี่ยจะมาหาท่านสวดท่านผู้ไม่ไหวจริงๆพอท่านออกมากรับแล้วก็กลับไปส่วนใหม่ครับนะครับท่านถือว่าปฏิโมกไม่เสียเพราะวันนี้ตั้งยึตไปแล้วครับตันงีึติดแล้วปฏิโมกไม่เสียครับต่อไปนะครับคําว่าอันตรายโกนะครับอ <มา S 1> คือเป็นทำทำตรายนะสำมะชานาุสาว่าทที่นี้นะครับ แม้เป็นอาบัตทุกกฎนะก็เป็นธรรมทําตรายครับไม่อันตรายที่จะทำอันตรายต่อสวรรค์และก็นิพพานครับท่านนี้ว่าวีติกรรมอันตรายนะอันตรายคือการล่วงละเมิอข้าบัญญัติครับอันตรายนะความว่าอบาบัตที่จงใจร่วงนั้นเพราะกันไม่ให้ความปราโมทเป็นต้นเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนเป็นเหตุแล้วชื่อว่าขันขวา ง, งต่อการบกรลุปฐมฌานเป็นต้น เนี่ยนะปราโมดคืออะไรปราโมดก็คือปีติอย่างอ่อนนะครับปีติอย่างอ่อนถ้าเรียกว่าปลาโมดนะรัถ้าปิติมีพลังก็เรียกปีติคือคนที่ต้องอาบัตนะเนี่ยตัวนี้เขาแม้ว่าต้องอาบัตเล็กน้อยอาบัตทุกเกาทุกเนี่ยนะอ่าก็จะไม่เกิดความปราโมดนะครับปลาโมดในทาไม่เกิดนะยิ่งเพราะว่ามีความเสียร้อนใจนะครับมีความเสียร้อนใจว่าเอึงต้องอาบัตเนี่ยมันไม่ได้ปอมเลยนะครับล่วงละหมดจงใจต้องก็แล้วนะ ก็จะอยูไม่ได้ครับเมื่อกอนจะเที่ยงอ้าวบางคนอ่ะเขาต้องแบบเขาไม่เห็นเดือร้อนอะไรเลยอยู่สบายเนี่ยดูหนังไปหัวล้อกันโผลสนุกสนานนะมันดีทั้งปีสี่สุขอะไรสารพัดเลยอันนั้นมันเป็นปีสี่สุขที่เป็นหลักคุณสนะครับไม่ได้เอาปีสีาร์โม่ในที่นี้นะยังไงปีสี่าร์โม่ในธรรแล้วก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะนะที่เป็นหลักคุนถึงแม้เขาจะไม่เดือร้อนใจก็จริงนะตอนนี่เขากำลังดูหนังฟังเพลง แต่เชื่อเถอะว่าเวลาเข้านึกถึงสิ่งของเ้าทีไย น, นะเขาจะไม่เคยรู้สึกปีสีปาโมดเลยนะครับ mm hmm. เขาจะมีความเศร้าหมองความไม่สบายใจเหลือร้อนใจใช้ไหมพอหล่นแล้วสิ่งไม่ดีทันทีเลยโกรธคล่องทํากิดเรื่องตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยความเหลือร้อนอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ไอ้ความปีติปามหมดในทําไม่เกิดนะเมื่อปีติปลาในทําวไม่เกิดเนะีย่ยเรอทำให้ึมดุลขึ้นไป จนถึงปฐมมชานเป็นต้นเนี่ยก็เกิดไม่ได้ครับนี่นะนี้ถ้าในข้อวินัยทีาเราจะพูดถึงนะเป็นลำดับไปนะครับเกี่ยวกับพระวินัยเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นที่สุดก็จะมีถึงมาโมและก็ไปตามขั้นนะถ้าบอกว่าวินัยย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่สังวรความสํารว้พระวินัยนะครับก็คือสิกขาบทบรรยาพระเจ้าทรงบรรยายนไว้นะแก่ข้าสามุทฆลายนะครับ เป็นวินัยเครื่องปุณทางกายวาจาเนี่ยมีเพื่อเปี่ยอะไรเพื่อเปี่ยแกลความสมรวมความสมรวมการวาจานะไม่ให้ไปร่วงละเมิดไปทําผิดนะครับเพื่อประโยชน์ความสมรวมสังวรตรงนี้ทีนี้ความสมรวมสังวรเนี่ยย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่อิปรัชฐานคือเพื่อประโยแก์ความไม่เหลือร้อนใจเพอจะงสมรวมกายวาจาได้ไม่ไปทําผิดไม่ร่วงละเมิดทําต่างๆใช่ไหมครับ ก็จะมีความไม่เรียร้องใจอวิปปิสาเนี่ยความไม่เรียร้องใจย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทก็จะได้ปีติอย่างต่อแล้วหนึ่งศีลอยก็โอ้ยนะครับเกิดปีติขึ้นมานะความปราโมทยนะ่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ปีตินะครับก็เป็นปีติมีกําลังน ะ, ค ว, ะนะความอิ่มใจแต่ไม่หิ่งนะปีติมีกําลังทีนี้ปีติย่อมมีประโยชนะ์ อปีติย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ปสสัต t ความสงบนะครับสงบมาในปสสัต thi เสงบใจสงบกายที่ดูท่าที่บอลปสสัต t เนี่ยเอาแค่สงบกายอย่างเดียวหรือเอาสงบใจนี้สงบกายด้วมันต้องได้แล้วใช่ไหมครับปีติย่มีเพื่อประโยชน์แก่ปัสสัต thi นยเพื่อความสงบเป็นความสงบนั่งนับนะครับปสสัต t ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ความสุข เมื่อว่าจิตใจสงบนะครับดีนะก็มีความสุขครับไดนะ้ความจริงเนะี่ยตัวนี้มันมีผลต่อร่างกายด้วยนะไม่ใช่จิตใจอย่างเดียวเพราะคุณน้องทั้งสองตัแต่ปีสีนะอ่าพวกนี้นะที่เกิดขึ้นนะจะสร้างรูปธรรมที่ละเอียด น, นะครับสร้างจิตใจเชิงเสียดเกิดขึ้นนะไอ้รูปร่างกายก็จะดีด้วยนะครับมีความสุขนะนุ่งละเอียดเกิดขึ้นเพิ่มอยู่ในความสุขนะครับสุ ข, ขทั้งกายทั้งใจนะ ความสุขย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่สมาธินะครับเมื่อมีความสุขนะใจไม่กระสับกระส่ายนะครับจีก็เป็นสมาธิตั้งมันเร็วสมาธิย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ยะหาภูตยาทัศนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เข้าขั้นไหนนะวิปัสนาญาแนะวข้อวิปัสนาญาแล้วนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงนะครับรู้อะไรนะครับตายแล้วครับอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาไม่เที่ยบเป็นทุกเกิดด่ารูปนาม น, นี่ครับ นี่ยถึงขั้นยาแล้วนะเป็นขั้นยาแล้นะครับสมาธินะ่ะเป็นอะนะอัปปนาสมาธิหรือว่าขั้นนิกรสมาธิก็แล้วแต่นะครับถ้าอัปปนาสมาธิเป็นบารมีปรสนะใช่ไหมขั้นนิกรสมาธิก็ในการเจริญัรสนะนีครับเนี่ยเราต้องใส่สมาธิงานะยะขาคุณียาทัศนนะครับการที่ไปรู้ถึงความจริงนะ่ะเห็นเกิดดับไจเล่านะครับเห็นไม่ทุกเห็น ไม่เที่ยงครับเป็นทุกข์แปดหน้าตานี้นะจะมีเพื่อประโยชน์อะไระครับย่อมมีเพื่อประโยชน์แกนิพิตาความเบื่อหนา<ฮ>่ายเห็นแต่ว่ามันเกิดแล้วก็ต้องดับไปดับไปนะก็ไม่เที่ยงนะถูกความเกิดดับสิบขั้นเป็นทุกข์นะครับมันก็จะเบื่อหนา่ายเห็นนิพิตานะความเบื่อหน่ายย่อมมีเพื่อประโยชน์แกวิราคะความสํารอกเกลยนะครับใครต้องการเกลียก็ไปดูสุมานะนะระแล้วไงจะเห็ได้ยามไปตามลำดับนั่ถึงนิพิตายามเบื่อหน่าย เมื่อเบื่อหน่ายก็ต้องการที่หยุดพ้นใช่ไหมครับแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยนะครับก็จะมีการสำลอกกิเลสเวลาฆะะ่าครับความสำรอกกิเลสย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่มุตต์ก็คือความหุพ้นนะครับถ้าหลุดพ้นขั้นสูงสุดเลยก็คือไปฆ่าหันเลยใช่ไหมถึงรหัสตะผลเลยนะครับวมุตต์ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่มุตติยาทัศนะเพราะว่าเมื่อผลลจิตเกิดขึ้นดับไปปุ๊บก็จะเกิดปัจจัยขณะยายนใช่ไหมครับ ที่ขึ้นมาพิจารณานะอะไรพิจารณามรรคผลกิเลสที่น่าได้แลกกิเลเที่ยงเหลืออยู่นะครับเนี่ยขึ้นมาดังนั้นมิมุติยาทั ศ, าศานาเนี่ยย่อมมีเพื่อ ป, ประโยชน์แก่อานุปาทานปริมิภามรูปภาพหาแล้วนะได้ายาประจุขนาดยานะครับก็เพื่อความดับสนิทหาเชื้อไม่ได้ดับมารอบไปเลยนะมารูกแล้วก็ปริมิภามไปเลยนะครับการก ล, าารราราล่าวการปรึกษากิริยานั่งใกล้ความเนี้ยสดลงสดับ แต่ละอย่างแต่ละอย่างมีอนุปาทานปรินิพพานคือความพ้นพิเศษแห่งจิตไม่ถือมั่นนั่นแหละเป็นผลครับนี่คือผลถึงสุดของการศึกษาพวินัยนะคือเพื่อความไม่มุ่มมพงพ้นตรนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นควรทําความพยายามในเพื่อเพื่อในการเล่าเรียนพระวินัยดังนี้แหลนะครับต่อครับคําว่าตักสมานครับเพราะเห็นนั้นความว่าเพราะสัมปชัญญะมุสาว่า การกล่าวเทศทั้งที่รู้ตัวอยู่คือการไม่เปิดเผยอาบัตินี้จึงก่อให้เกิดอันตรายเาาราบรรลุไม่ได้ไม่ได้นี้ปริชา้างก็ไม่ได้คําว่าสระมานีนะคือรู้ว่าอาบัตมีอยู่ในตนนะครับขั้นตอนนี้ได้ ต, ตรงไห น, านมานะออืสัมปชานะมุสาวาทุกขังสมุตโตตสมาถึงตสมานะครับสระมานีนะ้ พิทุนาอามปันในั้ำสุทามไปเขนะนะครับเพราะฉะนั้นพิสุใรนะครับอันพิสุไรนั้นเลิกได้อยู่นะนั้นเลิได้อยู่ว่าต้องเลอกได้อยู่ต้องอาบัตนะครับอารมใจคือรู้ว่านะครับอาบัตมีอยู่ในตนคําว่ามิสุทามไปเขนะคือต้องการจะออกจากอาบัตต้องการความบนสุดนะครับหวังความบนสุดต้องออกจากบัตแรกให้ทายังไง คำว่าสามติงอัปติงอาบัตมีอยู่คือยังไม่ได้ออกจากอาบัตที่ตัวเองต้องยังไม่ได้แสดงว่ายังไมได้เปิดเผยคำว่าอาวิอาวิกาตพานความว่าพิสูจน์คเปิดเผยอาบัตกับสงฆาหรือกับพิสูรูปเดียวนะครับถ้าตอนนั้นผมยังไม่ได้นักับสงฆ <laughs> ์นะครับแม้กับพิสูจน์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าผู้มีอายุ ผมต้องอาบัต น, นี้ออกจากที่นี้แล้วจากแจ้งอาบัตนนินะครับแล้วก็บอกนี่นถ้ากำลังความปฏิโมงแล้วก็เกิดอะไรก็ียกว่าต้องอาบัต น, นะครับก็สุบคิดพระดีข้างๆนะเบาๆนะครับอย่าต้องกวนพระสุษีันิโมงนะครับเบาๆนะครับแล้วก็บอกนี้ไปถ้ามีความสงสยัยสงสัยว่าตัวเองจะต้องอาบัต น, นะซึ่งกล่าวว่าผู้มีอายุผมมีความสงสัยในอาบัต น, นี้ในเวลาที่หมดความสงสยัยผมจะแจ้งอาบัตนะินั้ ในขอ him, like so ้อนี้ว่าอาวิอาริกตาหิสามหาสุโหนตินะครับแปลว่าความผาสุกนั้นโยมีแก่พิสูจนั้นเพราะการเปิดเผยนะครับเพราะการถูกเผยนะอันนี้คําว่าอาวิกาตาแปลว่าเพราะเปิดเผยเพราะอาบัตที่ได้เปิดเผยแล้วนะถ้าเก็จะมีความผาสุขนะครับก็จะไม่มีการกั้นหรือความจริงคําว่าอาวิกตานี้ เป็นปฐมวิพัฒน์ลงเนี่ยตัทยามิพัฒน์เมื่อนในคําว่าอารัชิตาเป็นต้น อ, อันนี้ไม่เป็นไรนะครับใครที <c oughs> ่ยไม่ค่อยจะมาดีนะให้ฟังคําว่าหี่เนี่ยเป็นเพียงิบา่าการตกไปส่วนเข้าไปเฉยๆไม่มีความหมายอะไรนะครับไม่ต้องปแปล ว, ว่าหี่เพราะเห็นนั้นไม่ต้องแปลเป็นิบ่าตรงนี้เขาบอกว่าไม่แช่ประจิจในครับนั่นมีความหมายนะคําว่าอาสานได้แก่ที่สูงผู้เปิดเผยอาบาัต ก็จะมีความหานถูกคํ า, ค ว, าว่าหาถูกโหติความว่าเกิดความสะดวกในการบรรลุปฐมฌานไรมาเรื่อยใช่ไหมก็ไม่มีความสมรว้ไม่เหลือต้อนใจปิดปิปดตาโม่เรื่อยนครับก็ถึงท้ายสะดวกนะในการบรรลุปฐมฌานเป็นต้นขยายความว่าถึงการปฏิบัติเจริญกรรมฐานได้สะดวกอย่างยิ่งเพราะมีความปาโมดเป็นต้นอันมีคําว่าไม่เนี่ยเพราะไม่ต้องออกไปครับ อันนี้ผมขี่ให้แล้วนะถึงเรื่องใหม่อันการไม่เดือดร้อนใจเป็นหีนก็คือเมื่อตัวอาบัตโมลิสุจอาบัตไม่มีอาบัตติดตัวใช่ไมถ้าเรื่อกถึงสีตัวพิไรก็เกิดตีสีปาโมดอินใจขึ้นมานนีะครับมันไมมีความเดือดร้อนใจเมื่อมีความเดือดร้อนใจเนี่ยเวลาปฏิเจริญกรรมฐานนี่ก็จะสะดุกครับสะดวกถ้าใครยังปฏิบัติไม่สะดวกมาห้อยยังไงผมไม่ได้เขียนนะ พ่อมาอย่างสมัยนี้เนี่ยหลายอย่างเรายังยังฟังไม่เข้าใจมากนะครับสั่งสมเหตุปัจจัยมาน้อยบ้างนะไม่ใช่ว่าถ้าปฏิบัติยังไม่สะดวกมาเพราะว่าสีแล้วไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่เสมอไปนะแต่นี่หมายถึงคนที่แบบเขารู้ทางเาลุอะไรหมดแล้วนะครับรักสีเขาบริสุทธิ์เวลาเขาเกิดปฏิบัติเขาก็จะสะดวกได้ของเราที่มันสะดวกนั่นของมไม่พูดถึงเราทั้งหมดก็แล้วกันพ่อแม่ทานอาจจะสะดวกแล้วท่วไปที่ส่วนใหญ่เนี่ยพาะไม่ใช่สะดวกกันนะ อ่ะหลา ย, าลายาอย่างนะปัจจัยหลายอย่างฟังนี้ไม่เข้าใจบ้างแล้วก็กิเลสมากถ้าสมัยนี้นะมันเคยชินกับอำนาจของกิเลสทอนลงความเคยชินและทำา้วยความปรารถนาเฉอยมากนะครับและเวลาปรารถนาแล้วก็ตั้งใจทำไปเต็มที่แล้วมันก็ได้หดั่งใจอย่างนั้นนะแต่พอปฏิบัติมันทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับคือคิดว่าอา้าวผมจะท่องหนังสือเนี่ยอา้าวปฏิบัติผมท่องกี่เดือนอ่ะสามเดือนกะว่าต้องได้แน่ใช่ไหมก็อัอดรอบอะไรท่องอะไรสามเดือนแล้วก็ได้ ไ้่าที่หวังด้วยนะครับแต่ว่าการปฏิบัติไม่นช่อย่างนั้นนะโอ้ยสามเรียรข้มันสาเนี่นาการจะปฏิบัติเต็มที่ไปเลยให้มันได้สัยานไปเลยยี่นะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตีตั้งตานะครับปฏิบัติเต็มที่นะนับางทีถ้าเข้าใจไม่ถูกระวังใจไม่ถูกก็คบไม่ได้ต้องโอ้โหการวางใจนั้นสาคัญนบการปฏิบัติตนะอยากดูแลเดียวก็ต้อไปเข้ามฐานกันเ เราสืา่อารเรื่องนี้ให้ดีนะการปฏิบัตินะแล้วก็เราเข้าไปต้อมาถามดีนะครับพนาันานิทานนิเทศในสกทาพระปาติมโมชื่อว่ากังขางิตรนีจบแล้วด้อยประการชนน้นื่อนิทานนิเทศนะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้เออผมมีปัญหาจะถามนะครับ